หากว่าชนเหล่าเอิญจะพยายามทําร้ายพิษสูนนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจนะทางกายเนี่ยเขาทํำยังไงก็คือด้วยการประหารด้วยฝ่ามือบ้างไปถูกเขาตกาอกไม้เงี้ยใช่ไหมด้วยการประหารด้วยก้อนดินบ้างถูกเขาคว้างเขาปามาด้วยการประหารด้วยท่อนไม้บ้างด้วยการประหารด้วยสาตรา บ, บ้าง ถูกระบองทุบเข้าไปถูกมีดสับเข้ามาอย่างเงี้ยพิสูจนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายนี้เป็นสภาพเป็นที่เป็นไปด้วยการประหัดประหารด้วยฝ่ามือบ้างที่เป็นไปด้วยการประหัดประหารด้วยก้อนดินบ้างที่เป็นไปด้วยการประหัดประหารด้วยท่อนไม้บ้างเป็นที่เป็นไปด้วยการประหัดประหารด้วยศาตราบ้างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมการถูกกระทบกระทั่งกระทบกระเทียบภายนอกเนี่ยที่มากระทบกายเพราะว่า โพพ ร, รมเนี่ยนะก็คือพวกโพธาพรมบางอย่างก็มาจากมือโพธาพรมบางอย่างก็เป็นไม้โพธาพรมบางอย่างก็เป็นมีดอย่างเงี้ยมัก็ธรรมดาก้อนดินท่อนไม้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ให้นึกถึงพระสูตรที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ในพระโอวาทอันเปรียบด้วยเรื่อยในกะกะจูประมสูตรกล่าวว่า ดูก่อนพิสูุน์ทางหลายแม้ว่าพวกโจรผู้มีความประพฤติตำชาพึงตัดอวัยวะน้อยใหญ่ด้วยเลื่อยอันมีด้ามสองข้างซ้ายพิสษุผู้ที่ยังใจให้ประทุษร้ายในพวกโจรแม้นั้นย่อมไม่เป็นผู้เชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของเราด้วยเหตุนั้นดังนี้นะขณะถูกประหัดประหารแล้วจิตโกรธขณะนั้นเชื่อว่าไม่ปฏิบัติตามโอว่ามีไหมคำสอนพทธเจ้าสอนให้มีโทสะ ไม่มีดังนั้นคําสอนของพุทธเจ้าเป็นวินยัยวินัยแปลว่ากําจัดกําจัดราคะกําจัดโทสะกําจัดโมหะดังนั้นถ้าหากว่าเราได้รับการกระทบกระทั่งอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจิตเป็นโทสะเป็นต้นก็ขณะนั้นชื่อว่าไม่ปฏิบัติตามคําสอนนะจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เราโกรธขณะนั้นก็ชื่อว่าไม่ปฏิบัติตามคําสอนขณะนั้นตกจากศาสนาเลยนะ โทสะนี่ไม่ได้นับถือว่าผู้ใจเจ้านะอันหนึ่งความเพียนเป็นอันเราปรารบแล้วจกเป็นคุณชาติไม่ย่อหย่อนเพียนเพียนทำอะไรเพียนที่จะพอกพูนกุศลอันนี้มากๆอกนะนะสติอันเราเข้าไปตั้งไว้แล้วจกเป็นคุณชาติไม่หลงลืมสติเนี่ยสา ม, มารถวินิจฉัยดีชั่วได้ใช่ไหมในขณะนั้นแนะถ้าปล่อยให้โทสะเกิดนี่ เสียหายแน่ใช่ไหมนรกแน่นแน่นอนเลยนรกเนี่ยไม่ได้เกิดจากคนอื่นแช่งแต่เกิดจากอาคุสนและเป็นเหตุให้ไปสู่อบายอันสติเนี่ยจะไม่ประมาทใช่ไมไม่หลงลืมไม่หลงลืมว่าอันนี้มีโทษนะอันนี้มีคุณกายอันเราให้สงบแล้วจักเป็นสภาพไม่กังวนกระวาย จิตอันเราให้ตั้งมั่นแล้วจกเป็นธรรมชาติมีอารมณ์เป็นอย่างเดียวเรียกว่าป่าพอปารบถึงพระธรรมคําสอนอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ใช่ไหมจิตก็มั่นคงสติก็ตั้งมั่นวิริยะก็เกิดทั้งกายปสัสสัตทิจิตตปสัสสัตทิมันก็เกิดกุศลจิตก็เกิดคราวนี้การประหารด้วยฝ่ามือทั้งหลายจะเป็นไปในกายนี้ก่็ดี การประหารด้วยก้อนดินทั้งหลายจะเป็นไปในกายนี้ก็ดีการประหารด้วยท่อนไม้ทั้งหลายจะเป็นไปในกายนี้ก็ดีการประหารด้วยศาสตราทั้งหลายจะเป็นไปในกายนี้ก็ดีตามทีโทษช่างมันเหมือนั้นคล้ายแบบนี้ตามทีก็คือช่างมันนั่นแหละคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้เราจะทําให้จงได้ดังนี้คือช่างมันกายะจะรับโพธภารมณ์ยังไงก็ช่างมันแต่จะประพฤติแต่จะปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะ ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นพ ร, ร, ระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารทีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมผู้สั่งสอนคำสอนอันเนี้ย นะก็ระลึกถึงคุณของท่านหรือระลึกถึงพระธรรมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาจะพึงปฏิบัติเห็นได้ด้วยตนเองเป็นธรรมะที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการไม่จํากัดเวลาเป็นธรรมะที่ควรเรียกให้ผู้อื่นว่ามาดูเถิดเป็นธรรมะที่วินยูชนมีอุคติตันยูเป็นต้นจะพึงประพฤติปฏิบัติเห็นแจ้งได้ด้วยตนเองเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่ออ อ, อกจากทุกข์เป็นต้น หรือว่าพระธรรมที่ทรงโอวาท ด, ด้วยกะกะจูอุปมาสูตรเนี่ยสู่ที่อุปมาด้วยเรื่อยอันนี้ก็เป็นคําสอนหรือเมื่อระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วคือคู่แห่งพระอริยบุคคลสี่คู่นับเปียงตัวบุรุษได้8บุรุษ ขันพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติสายกลางเป็นผู้ที่ปฏิบัติไม่โกรธขณะถูกรื่อยพระสงฆ์เหล่านั้นก็จะไม่โกรธ น, นะเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้อุเบกขาคือวิปัสสนาอันอาศัยกุศลธรรมย่อมไม่ตั้งอยู่พร้อมได้โอ้ขนาดตามนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์วิปัสสนาก็ยังไม่ดำเนินไม่เล่นต่อไป เพ็กสุนั้นย่อมสลดใจย่อมถึงความสลดใจเพราะเหตุนั้นโอขณะระดมความรู้ตามระลึกนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าวกว่าแล้วนึกถึงคุณของพระธรรมกว่าแล้วนึกถึงพระสงฆ์กแล้วถูกเขาด่าพระพุทธเจ้าเอามาสลับกันไงถูกด่าทีก็ถูกสลับมาทิง้งเพ็กสุนั้นก็สลดใจว่าโอไม่เป็นลาบของเราหนอะลาบไม่มีแก่เราหนอะเราได้ไม่ดีแล้วหนอะ การได้ด้วยดีไม่มีแก่เราแล้วหนอโอ้ยเรานี่ไม่ได้ดีแล้วขนาดอยู่ในาศาสนาเนี่ยนะขนาดอยู่ในโรงพยาบาลไข่ยังขึ้นเอาขึ้นเอาเนี่ยนะอยู่นอกโรงพยาบาลมันจะขนาดไหนขนาดเราเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงมีพระธรรมคําสอนเป็นเครื่องปฏิบัติมีพระสงค์เป็นเยี่ยงอย่างในการประพฤติปฏิบัติเราก็ยังไม่ได้ดีอ่ะกุศลก็ยังไม่เกิดอ่ะขนาด เราเนี่ยไม่ได้ดีแล้วหนอที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้โอเบะขาอันอาศัยกุศลธรรมไม่ตั้งอยู่ได้ด้วยดีดังนี้สังเวชใจอย่างนั้นเที่เรียกว่าให้รู้จักสลดสังเวชใจเหมือนเปรียบเสมือนหญิงสะพยเห็นพ่อผัวแล้วสลดใจสะพายสมัยก่อนก็สลดใจง่ายนะสมัยนี้ไม่รู้เป็นงนั้นหรือเปล่าเนาะ ก็บอกว่าเปรียบเหมือนหญิงสะพายเห็นพ่อผัวแล้วย่อมสลดใจย่อมถึงความสลดใจแม่ฉันใดดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายหากว่าเมื่อพิสูจนนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมไม่ตั้งอยู่ได้ด้วยดีวิปัสสนาก็ยังไม่ดําเนินไม่พิจารณาเรื่องหูเรื่องเสียงเรื่องโสตะวิญญาณเรื่องภาษะเรื่องเวทนามันยังไม่ยอมอ่ะ กาจิตไม่ยอมเลยก็บอกโอ้เรานี่ไม่ได้ดีแล้วเนาะถ้าไม่ได้ดีนี่แปลว่าอะไรรู้ไหมเสียหายแล้วอากุศลนี่เกิดอากุศลนี่ให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ให้ผลได้กี่อย่างให้ผลชาตินี้ก็ได้ให้ผลชาติหน้าให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปแล้วถ้าให้ผลนําเกิดเกิดที่ไหนอากุศลก็ให้เกิดในอบายทุคติวินิบาตานรกนะั่นแหละโอ้เราเนี่ยขนาดเจอ เจอพระศาสนาเจอพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกับได้ยาแล้วก็ยังป่วยอยู่นั่นแหละโอ้ยหน้าสงสาร น, นะใครมันจะหน้าสงสารหน้าเราอเนอะพ็ะเห็นโทษอะอเนี่ยตนต อ, นต อ, นตอนแห่งความทุกข์อยู่นี่แหละที่สูนั้นย่อมสลดใจย่อมถึงความสลดใจเพราะเหตุนั้นฉันนั้นเหมือนกันแหละสลดใจเธอสังเวชใจเธอโอ้ยเจริญกรุณาตัวเองมากๆกันนะถ้ะเจ้าไม่ไปในระกแล้วใครจะไปใช่ไหม อา้าโทสะนี่โทสะมันเกิดกับใครมันก็พาคนนั้นไปอาบายทั้งนั้นแหละเพราถ้าเราไม่ตกนรกแล้วใครจะตกอ่ะเพราะเรามีโทสะใช่ไหมก็ลักษณะนั้นนะพิจารณาปั๊บเนี่ยนะพอพูดถึงนรกงทีมกลัวนะไม่เอาไม่เอาไม่ไปพอไม่ไปทําไงอ่ะรีบเจริญกุศลเอาใหม่เอาใหม่นั่นแหละพิจารณาใหม่พิจารณาใหม่ถ้ามันยังไม่เดินเอาใหม่อีกอันนะทบทวนครั้งแล้วครั้งเล่าบ่อยๆเนื่องๆไม่เลิอกอ่ะเพราะถ้ากุศลแจิตมันเกิดเนี่ยปล่อยให้มันเกิดได้ยังไงใช่ไหมเสียหายแน่ บอกเขาบอกว่าเออกุศลอกุศลมันก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยมันแล้วแต่มันจะเกิดใช่ไหมมันหมดปัจจัยมันก็จะดับถ้าไฟไม้บ้านคิดอย่างนี้ดูสิใช่ไหมวันหลังไฟไหม้บ้านปึ๊บมาเลยนะบอกเลยเออเดี๋ยวมันหมดเหตุหมดปัจจัยมันดับแน่หมดบ้านแน่นอนนะมีกี่หลังก็วอดวายหมดนั่นแหละอาคุศลก็เหมือนกันเวลามันตกลงไปในจิตนะโทสะมันเกิดในจิตปั๊บเนี่ยนะ อะไรตกไปบ้างรู้ไหมศรัทธาตกไหมตกไปแล้วฮิริหมดไหมขนาดนั้นฮิริโอตตาปะอโลภาอโทสะตัตระมัช ต, ตาตาปายปาปัสสิพวเสียหายหมดแล้วนะวีรตีเจตสิกเนี่ยกลัวโทสะที่สุดเลยนะหนีไปอยู่ที่ไหนหมดก็ไม่รู้กรุณาเจตสิกมุทิตาเจตสิกปัญญาเจตสิกเนี่ยไปก่อนเพื่อนเลยนะนี่แหะนั้นเสียหายมากมายแล้วใช่ไหมพวกปีติพวกวิริยะพวกอะไรเนี่ยหมดเลี่ยงแนละ้นั้นเสียหายมาก มันก็ให้พิสูจนนั้นก็ถึงความสลดใจย่อมถึงความสลดใจเพราะเหตุนั้นเหมือนกันแลหากว่าเมื่อภิสูจนนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัายกุศลธรรมย่อมตั้งอยู่ด้วยดีไซน์นะคือพิจารณานึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังกัดคนอ่ะคล้ายๆกับคนคนมีพ่อมีแม่ใช่ไหมเป็นมีปัญหาอะไรมากา็พ่อแม่เป็นที่พึ่งทางใจก็ นึกถึงพ่อนึกถึงแม่ก็จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ได้ของเราก็มีเราไม่กังวลใช่ไหมมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์เนี่ยเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงเราก็ระลึกถึงท่านพอระลึกยังไงโ้โหวิวปัสสนาดําเนินไปนี่เป็นการเจริญวิปัสสนาควบคู่กับการเจริญสมถะการระลึกนึกถึงพุทธคุณเป็นสมถะใช่ไหมไการพิจารณาสภาพธรรมนะไม่ว่าจะเป็นหูไม่ว่าจะเป็นเสียงผัสสะเวทนาเจตนา สัญญาสังขารวิญญาณพวกนั้นเป็นวิปัสสนาก็สลับควบคู่กับการเจริญสมถะไปลักษณะนี้นะวิปัสสนาก็ดําเนินไปด้วยดีภิกสุนันย่อมเป็นผู้ปลื้มใจเพราะเหตุนั้นอยิ้มได้เลยนะปลื้มใจนะดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายด้วยเหตุแม้มีประมาณเท่านี้แลคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอันที่สุนันทาให้มากแล้วนะ เรียกว่าเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติตามคําสอนแล้วเรียกว่ายิ้มได้เลยถ้าโอ้เนี่ยในบรรดาผู้ที่ ป, ปฏิบัติตามคําสอนเราก็หนึ่งในคนนั้นแหละเพิ่มเพิ่มใจภูมิใจในตัวเองได้อเป็นเราเนี่ยไม่ไม่กําพลาแล้วเรามีสารณะเรามีที่พึ่งพรธเจ้าบอกว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย จงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่างมีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยเราก็มีพระธรรมเป็นที่พึ่งแล้วใช่ไหมเรามีกุศลธรรมเป็นที่พึ่งแล้วทำสอนนี่เราชื่อว่าปฏิบัติตามแล้วก็ภูมิใจแล้วทําต่อไปไม่ใช่โอ้ยภูมิใจเสร็จได้แล้วได้ดีแล้วนอนเฉ่๊มเลยไม่ใช่อย่างนั้นนีกเจริญกุศลต่อไปไหมอันนะได้เลยนะปัทวีธาตุนะก็คือพิจารณาปัทวีธาตุโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปัทวีธาตุในกายนี้คือ ผมขอนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจตับไตไส้ปดัดเป็นต้นนั้นไงนะไม่เป็นไรเอาหนะ้าตูมีมาอ่านกันแล้วกันปวดกับปวดไปจิตก็อย่าไปปวดกับมันเขาก็เจริญกุศลไปอ่ะไอหาอยู่หายาก็หาไปไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่าขณะที่หายาก็เจริญกุศลรมไปด้วยอ่ะนะคือพิจารณาผมอ่าพิจารณาพว้ นะกายพวกอันนั้นเป็นต้นอ่ะโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปหน้าตาด้วยตามหลักมิปัตนาด้วยเจริญพุทธคุณด้วยหายาทาด้วยนะอะไรหลายอย่าง อ, า อ, อ, อ่นะเขาเรียกว่าเบียนเบียนประเด็นออกไปก็เหมือนกับโดมันจะชนใช่ไหมหักพวงมาลัยหลบสัหน่อยก็ชนน้อยน้อยหน่อยอนะปวดมันก็ปวดอะไรยังไงมันก็ปวดแต่ถ้าไป ป, ปารบถึงเรื่องอื่นนะความปวดมันก็ลดลงเพราะสมมุตินะขณะบางคนเนี่ยเขามีความภูมิใจบางอย่างอยู่ถ้าเขานึกถึงสิ่งที่เขาภูมิใจอยู่นะ ความปวดของเขาเนี่ยจะลดน้อยลงไปอ่าอย่างยกตัวอย่างพระรูปหนึ่งเนี่ยนะท่านท่านเดินจงกรมขณะที่ท่านเดินจงกรมเนี่ยเข่ามันอ่าขามันแตกอะ่ะท่านก็เลยคลานนะครับเอาเขาเนี่ยเดินจงกรมไปงั้นนะเสร็จแล้วก็มีไอ้นายพรานเนี่ยเข้าไปในป่าโอ้ตะคุ่มตะคุ่มเนื้อแน่นอนเลยอะ่ะเอาหอกทิ่มเข้าไปพรวดเขาไปเจอพระเข้าไปเพนเลยอะ่ะทําไงอะ่ะ พระก็เลยเรียกเพื่อนอ่ผมเนี่ยทุกแพง้งอย่างนั้นก็ให้พระเนี่ยมาดึงห่อออกเสร็จแล้วหาอะไรมาอุดๆอ อ, ออกแล้วก็บอกว่าทักข์ขันไปก่อนนะแล้วท่านก็เจริญวิปัสสนาตรงนั้นและก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นั้นที่ท่านพิจารณาอย่างนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะท่านปารัถึงศีลเป็นต้นของท่านอ่ะอันนั้นเขาเรียกว่าท่านไม่ได้นึกถึงความปวดอันนั้นแต่ท่านนึกถึงสิ่งที่ท่านภูมิใจที่สุดอะไรที่ท่านภูมิใจก็คือศีลของท่าน โอกาสที่ท่านได้นึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าโอกาสที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนพระสูตรตรงนี้เหมือนกันนะไม่ได้ให้นึกโอ้โเจ็บเหลือเกินนะแหมไม่น่าทํากับเราอย่างนี้เลยป่าวไม่ให้นึกถึงอันนี้ให้นึกถึงคําสอนให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะว่าอย่างบางคนสมัยก่อนเนี่ยเขาภูมิใจมากเขามีความสุขมากที่เขาได้นับถือพระพุทธเจ้าที่เขาได้ปฏิบัติตามคําสอนที่เขาได้กัลยาณมิตรคือพระสงฆ์ที่ดีเนี่ยเป็น สารณะเป็นที่พึ่งเขามีความภูมิใจมากแล้วเขาเอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติเวลาเขาเนืกถึงสูตรเหล่านี้ปั๊บเขาก็ลืมคิดเรื่องนี้พอลืมคิดความปวดมันก็ลดน้อยลงไปกายวิญญาณเนี่นะเหตุปัจจัยที่ทำให้กายวิญญาณเกิดมีกี่อย่างหนึ่งกายภะษาทาดีสองมีโพธภารมสามมีปัทวีสี่มีมนสิกานะ ถ้ามนัสิการเมื่อไหร่กายวิญญาณจริงจะเกิดถ้าไม่มนัตสิการไม่เกิดหรอกแค้นขาดถ้าไม่คิดมันก็ไม่ปวดใช่ไหมถ้าคนตัดความคิดได้ก็ไม่ปวดแล้วนะักเรียกว่าทําทําเวทนาให้เป็นอโภโรหารทิ์ทาให้เหมือนไม่มีก็คือไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สนใจวิธีการไม่สนใจก็คือนึกถึงสิ่งที่เขาสบายใจที่สุดมีมีคนคนหนึ่ง น, นะเป็นฝระเขาไปถอนฝัน เขาบอกว่าหมอเนี่ยถอนฟันการทําธรรมดาการถอนฟันนี่จะปวดใช่ไห ม, มเขาบอกว่านายคนนี้เนี่ยเขากําลังจัดรเขาเขากําลังทํางานวิทยุอยู่เมื่อเขาทํางานวิทยุเนี่ยทําไงอะ่ะขณะที่เขาปวดเงี่ยเขาไม่สนใจเรื่องฟันเขาเขานึกถึงรายการวิทยุของเขาเพลินเลยอะ่ะหมอถอนไม่ตั้งหลายซี่แล้วหมอถอนหมอถอนมากหรือ ย, ยังหรือเ่อกั้บอกว่ า, วานี่ไงถอนไปแล้วฮะถอนนี่นเหรอ ก็บอกอ้าวคุณไม่รู้แล้วมวยทำอะไรอยู่บอกผมเรื่องอะไรผมจะมาคิดเรื่องนี้ผมก็คิดเรื่องที่ผมสนุกสนุกของผมผมกําลังสนใจเรื่องรายการวิทยุอยู่ผมก็คิดหนึ่งเรื่องรายการวิทยุอย่างเดียวเขาบอกงั้นเออนี่ยเพราะการเบียนประเด็ น, น, ดนอ่ะเบนประเด็นออกไปนี่ก็ช่วยทําให้ระงับความเจ็บปวดได้เยอะอ่าพระนี้เหล่านี้ก็เหมือนกันถ้าสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระธรรมคําสอนเป็นผู้ที่ปฏิบัติมั่นอยู่กับพระธรรมคําสอนเพราะฉะนั้นท่านก็พยายามน่วงนึกถึง พรอทำคําสอนน่วงนึกถึงศีลอานะนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณศีลคุณศีลคุณก็คือศีลานุสติที่ท่านได้เคยศึกษาได้เคยประพฤติปฏิบัติมานึกถึงจาระฆาของท่านนึกถึงคุณธรรมต่างๆของเทวดาใช่ไหมโอ้ยเราปวดก็ช่างแต่เทวดาเขามีศรัทธาเราก็มีศรัทธาปวดตายก็ช่างมันดิตายก็ตายไปใช่ไหมยอย่างน้อยตายอย่างน้อยสวรรค์เนี่ยธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหม นั้นถ้าคนมีบุญทั้งอย่างมันจะไปหนักใจอะไรทักอย่างนะป่วยก็ป่วยไปดิเจ็บก็เจ็บไปดิไม่ได้มีปัญหาอะไรน่าหนักใจแต่คนไม่มีบุญอย่างว่านอะนึกถึงบุญองคุณยังไม่เคยทําเลยอย่างไงเอาตัวใครกับตัวใครแล้วพระก็ช่วยไม่ได้แล้วแับนี้นั่นแหละนั้นส่วนใหญ่นี้คนเนี่ยพอไปเจอปัญหาคับขันแล้วนะสำนวนไทยใช้คําว่าไงรู้ไหมป่วยหายและคิดล้อมคอกนั้นอ่าประโยคะค่อนข้างวิบัติกายประโยค่าวัจีประโยค่วิบัติเห็นไะ ยามที่มีเรี่ยวมีแรงยามที่พอมีสติมีกําลังมีปัญญาก็ไม่เรียบศึกษาคําสอนเอาไว้ก่อนพอไปเจอตอนนั้นไปแล้วโอ้ยพระก็ช่วยไม่ได้ดอกพระก็ป่วยเหมือนกัน ไ, ไม่รู้จะแนะนําอย่างไรแต่ถ้าหากว่าเขาเขามีความเข้าใจบางอย่างก็าสามารถจะช่วยได้หรืออีกส่วนหนึ่งถ้าหากว่าเขาจะยังไงก็จะจะเกิดใหม่แน่นอนองนั้นเถอะฟังว่าเกิดใหม่นี่เบาเนะาะแต่ฟังก่าตายนี่ไม่สนุกเลยนาะถ้าเขาจะเกิดใหม่แน่นอนอะ แล้วก็ให้เขาเกิดดีๆหน่อยก็คือสอนให้เขาสมาทาศีลได้อาศีล น, นะเป็นที่พึ่งเธอนะสอนให้เขารักษาศีลก็ได้สอนให้เขาถึงไตรสารณคมก็ได้อันนี้ก็ช่วยได้เยอะอนะมีโยมที่มาฟังตอนเย็นท่านหนึ่งเป็นเล่าให้ฟังว่าคนป่วยที่ลําพูนเนี่ยนะเขาก็ป่วยเสร็จแล้วก็ตัวกก็เกิงกับพูดไม่ได้แล้วก็ไปแนะนําให้ถึงไตรสารณคมแนะนําให้เขาสมาทานศีล เ, เขาเอาแฮะ ว่าว่าเขาตายแล้วเขาก็ตายอย่างสงบเขาว่าไงพอขณะที่ตายเขาก็อยู่ในศีลของเขาอยู่ในเขาก็เข้าไปด้วยอาการที่สงบงเพราะงั้นอันนี้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งอันนี้เรียกขั้นโค ม, มา่าแต่อีขั้นกําลังเดือดร้อนเนี่ยกาลังกวนกระวายทุกทั้งกายทุกทั้งใจเนี่ยอันนี้เนี่ยลำบากและแถ้าอย่างนั้นเนี่ยลาบากเพราะฉถ้าหากว่าเขาไม่ได้มีความเข้าใจเนี่ยนะสมมุติถ้าหากว่าคนไม่ได้ศึกษาพระธรรมนะการร้องโอดโอยควนครางถือว่าเป็นความถูกต้อง เพื่อที่คนอื่นจะได้เห็นใจมากๆขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าคนศึกษาพระธรรมเนี่ยจิตที่ทําให้เกิดการร้องอโอดโอยควรค้างเป็นจิตชนิดไหนโทสะเป็นกุศลหรืออกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษ ม, มีโทษให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ควรเจริญไหมไม่ควรเจริญถ้าคนเข้าใจพระธรรมปั๊บนะก็เฮ้ย เ, เ, เราจะควรค้างไปทําไมเนี่ยต้องมีภาพรูปหนึ่งท่านเป็นโรคลมอ่ะทีนี้เป็นโรคลมท่านก็ก คือแค่อคอนอนดิ้น่ะนะตะกุยตะกายอุ้มหมูมัดิ้นมากลูกเิษก็บอกโอ้ ร, รมณะธรรมณะควรอดทนไม่ใช่หรือครับเหมือนกันท่านก็ปล่อยมืออดทนแค่นี้พอไหมเหมือนกันไส่เนี่ยทะลักออกมาเลยลมมันเสียบแทงแรงมากไส่เนี่ยทะลักเลยแค่นี้พอไหมเหมือนกั้นะ <c oughs> แล้วท่านก็เจริญนิปทานาด้วยนะเพราะการศึกษาพระธรรมช่วยตั้งรากต้นเนี่ยเป็นความเป็นความดีที่สุดแล้วถ้าเราไม่ฝึกไม่เจริญกุศลธรรมตั้งรากต้นแล้ว พอไปยามสุดท้ายจริงๆก็ไม่รู้จะทํำยังไงนั่นแหละอย่าประมาทนะอย่าไปถึงวันนั้นก่อนเลยนะสงสารสงสารสงสา ร, ส ร, สรตัวเองบ้างเตอะนะแต่ของเราส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่หวังดีปรารถนาดีตัวตัวเองนะรีบศึกษาพระธรรมไว้ก่อนเลยยังไงเนี่ยเกิดใหม่แน่นะเกิดที่ไหนล่ะก่อนตายนี่มีอะไรเป็นใบเบิกทางมีอะไรเป็นใบเบิกทาง กรรมนิมิตคตินิมิตหรืออะไรดีถ้ากรรมทําได้แก่กรรมมะอารมณ์นึกถึงอะไรโโนึกเมื่อก่อนนะเราได้สมาทานศีลตอนนั้นได้ศึกษาพระธรรมตอนนั้นได้จิตเป็นยังไงนีน่อันนี้เรียกว่านึกถึงกรรมมะอารมณ์โอ้โหนึกถึงหนังสือนึกถึงพระธรรมคําสอนเคยไปให้ทานเคยไปทําบุญที่นั่นที่ น, น, น, นี่นึกถึงภาพเหล่านั้นเป็นกรรมนิมิตอารมณ์นะ นึกถึงภาพเทวดาเกิดมาไม่เคยเห็นไม่รู้เป็นยังไงก็ไอคตินิมิตเนี่ยนึกยากหน่อย mm hmm. เอากรรมกับกรรมมอารมณ์กันแล้วกันนันแะนพยายามนึกอย่างนี้ก็ช่วยได้เยอะนั่นแหละคือนางสุ ป, ปวาสาโกรยธิดาท่านท่านป่วยเอ่อท่านมีคันอะ่ะมีคันอยู่เจ็ดปีคันหลงอยู่เจ็ดวันาว่าไง เพาะนี่เอกุิญามที่มันปวดคันทุกทรมานนี่อาศัยตามและลึกนึกคุณถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ตามและลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ตรัสรู้ดีแล้วเนาะพระธรรมเนี่ยสอนให้พ้นจากกองทุกเหล่านี้เนาะพระสงฆ์เนี่ยปฏิบัติพ้นจากกองทุกเหล่านี้แล้วท่านอาศัยการและลึกนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็เลยคือธรรมดาเนี่ยมันแทบทนไม่ได้แต่ว่าท่านก็ทนได้นั่นแหละอันถ้าคนสามารถเจริญกุศลจิตได้นะ เวทนาอันนั้นมันก็จะลดลงบ้างบางคนเนี่ยนะมันมันบางทีเหตุการณ์เกิดกับตัวเองนิดหน่อยนะโอ้เป็นใหญ่เป็นโตไปหมดเลยเกิดกับคนอื่นนะคอเขาขาดเรายังไม่ได้ทือดร้อนอะไรเท่าไหร่เลยใช่ไหมสมมตินคนอื่นนีรถไฟชนกันโครมนะแขนกุดขาขาดนะเราเป็นสิวดูเราจะป่วยมากกว่าเขาด้วยแต่เออคนทั่วไปมยึดถือมากขนาดนั้นนะ